พระองค์ก็ตรัสว่าท่านพราหมณเราจะให้เราไม่หวั่นไหวท่านขอสิ่งใดกับเราเราไม่ซ่อนเร้นสิ่งที่มีอยู่นั้นใจของเรายินดีในทานพระองค์รีบเอาน้ําเนี่ยใส่คนโถแล้วก็หลังล ง, ลงใ น, ในมือของพราหมณ์พระราชทานภรรยาให้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเรามีความดําริแห่งใจใจของเรานเนี่เลื่อมใสเราจับพระหัตถ์ของผนางมาสัสยียังฝ่ามือให้เต็มด้วยน้ํา ได้ให้พระนางมาสัสสีนั้นแก่พราหมณ์ไปบทว่าประสันนมะนะสังกโปโมีความดําริแห่งใจเลื่อมใสแล้วด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอันเกิดขึ้นแล้วว่าเราจักยังที่สุดแห่งทานบารมีให้ถึงด้วยการบริจาคพริยานี้แล้วจักบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนการให้ครั้งนี้ถือว่าเหมือนกับว่าอะไรจะเรียกว่าเป็นการให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายก็ได้ การให้ครั้งนี้สำเร็จได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่จะบรรลุพระสัพพัญยุตยานแน่นอนขณะนั้นนั่นเองก็ปรากฏปาฏิหาริย์ทั้งปวงได้มีแล้วในหนหลังะนะก็คือแผ่นดินไหวหมู่เทพหมู่พรมเกิดปีติสมนัตเป็นอย่างยิ่งว่าบัดนี้พระสัมมาสัมโพธิญาณของพระโพธิสัตว์นั้นอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลอีกห้าร้อยเจ็ดสิหกล้านปีนี่แหละจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว อีกห้าหล้านปีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะตอนนั้นนะเอ้าก็สต้องไปอยู่ในดุสิตหมดอายุไขอายุก็เท่าไหร่5้าย็ดสล้านปีใช่ไหมมันอีก 700, เจ็ดร้ยอีกห้ากล้านปีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วดีใจมากเลยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าเมื่อเราให้พระนางมัต ส, สีถวยเทพในท้องฟ้าต่างก็เบิกบานแม้ในครั้งนั้นแผ่นดินภูเขาซีเนรุราชก็หวั่นไหว เมื่อเราให้พระนางมัซีเทวีไม่มีร้องให้ด้วยหน้าเศร้าหรือเพียงคิ้วขมวดเขาบอกว่าหน้านี้ไม่คิ้วขมวดแบบคนเครียดนะไม่มีไม่มีอาการเครียดแม้แต่นิดเดียวพระนางเทวีก็ดำาริยอย่างเดียวว่าจะทาสิ่งที่พระสวามีปรารถนาใจของนางนี่ขิ้อย่างเดียวพระนางมัซีก็บอกว่าเรานี้เป็นราชกุมารีได้เป็นภรยาของท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นก็เป็นเจ้าของสามีก็แปลว่าเจ้าของใช่ไหมเราเนี่ก็เป็นเจ้าของของอเราเป็นเนี่ยเป็นของของเขาเขาเป็นเจ้าของเราเป็นอิสระในตัวเราเนี่ยนะสมัยนั้นไม่มีคาว่าสิทธิมนุษยชนมาร้องเรียกอะไรแบบตอนนี้นะไม่มีลนะนานสกุลก็ไม่ยอ ม, มเอาของสามีแล้วนะสิทธิมนุษยชนวางเงนตะทวงใหญ่โตเลยแต่นี้ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะนะเพราะฉะนั้น เมื่อพระองค์ปรารถนาจะให้เราแก่ผู้ใดหรือปรารถนาจะให้หม่อมชั้นแก่ผู้ใดพระองค์จะให้ให้ก็ให้เธอจะขายก็ได้จะค่าก็ตามใจว่างั้นนะนะสรุปว่ายื่นเงื่นยื่นเงื่อนไขไปสามอย่างเลยใช่ไหมให้ก็ได้ขายก็ดีค่าก็ไม่เป็นไรอัะนนะโอใจนี่ไม่ธรรมดาเลยนะแสดงว่าพักดีกันอย่างมั่นคงมากนะ ก็คิดดูนะว่าไอตอนที่ออกจากพระนคร น, นี่ก็เห็นความเด็ดเดี่ยวของพระนางมัซซีแล้วมาอยู่ด้วยกันเจเดือนนี่ก็หาผลไม้เลี้ยงตลอดเลยนะพระพธิสัตว์ไม่เคยไปได้ไปหาผลไม้อะไรสักมือหรอกนะพระนางมัซซีนี่หาเลี้ยงตลอดขณะนั้นแม้กระทั่งว่าให้ลูกเป็นทานแล้วตัวเองก็อนุโมทนายถามว่าพระนางมัซซีรักลูกไหมรักลูกจนเรียกว่าวิ่งหาลูกคืนนั้นเนี่ยสองกิโเมตรเนี่ยนะเสร็จแล้วพอบอกว่าลูกให้ทานแล้ว อนุโมทนาเลยอนุโมทนาพอเสร็จแล้วคือคื อ, คอมีใจเนี่ยเนะ่ผูกพันรักกับพระเวสสันดรมากแต่ที่จริงก็คู่นี้ก็อยู่ร่วมกันมากี่กลับแล้วนะอยู่ร่วมกันมาสีสงไขยแสนกลับแล้วนะนะเพราะฉะนั้นอาการที่จะอนุโมทนาบุญก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าท่านพราหมณ์ผู้เจริญ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 นะบริจาคทุกอย่างอันนี้นี่คือทานนะยังไม่ได้พูดถึงศีลอย่างอื่นเดี๋ยวศีนเป็นต้นจะได้กล่าวต่อไปนั้นพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าเมื่อเราสละพ่อชาลีแม่กันหาชินาผู้เป็นทิดาและนะและสละพนางมั ส, สีผู้จงรักสามีไม่คิดถึงเลยเนี่ยนะคือไม่ได้อาลัยอาวนุนในว่านี้ลูกของเรานี้พริยาของเรา ที่เราทำอย่างนั้นได้ก็เพราะเหตุแห่งโพธิญาณ น, นั่นเองบุตรทั้งสองเราก็ไม่เกลียดพระนางมัสสีเราก็ไม่เกลียดถ้าด้วยโดยปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะถ้ามีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าจะต้องเอาความตายเข้าแลกยังไงท่านก็ต้องตายแทนลูกและภริยาของท่านแต่ท่านรักโพธิญาณมากกว่าเพราะฉะนั้นสัพพัญยุตยา น, นี่นะเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงได้ให้บุตรให้ภริยา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 ก็เพราะว่าการทำเป็นผู้เป็นไทยบางพวกไม่ให้เป็นไทยไม่ใช่สิ่งที่ดีตอบว่าเป็นธรรมะอันสมควรอันที่ให้เนี่ยสมควรแล้วทำไมจึงสมควรล่ะจึงอยู่การเข้าถึงพุทธก ร, รกะธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาการบริจาควัตถุที่เขาหวงว่านี้ของเราเนื่องในตนทั้งปวงโดยไม่เหลือ เรียกว่าให้ไม่เหลือจริงๆให้แบบให้อะไรนะหม้อคว่ำ嘛หม้อคว่ำเนี่ยนะเพราะว่าอธิจริงเนี่ยนะอย่าว่าหม้อคว่ำเลยให้ทั้งหม้อด้วยซ้ําไปนะพระโพธิสัตว์เนี่ยอาว่าแต่น้ําที่อยู่ในหม้อเลยให้แม้กระทั่งหม้อเพราะว่าของที่ให้ก็ให้หมดแล้วก็ให้แม้กระทั่งชีวิตของผู้ให้ก็ให้ได้อย่ากล่าวไปยัยถึงของนอกกายแล้วว่างั้นจริงอยู่การสละวัตถุที่เขาหวงว่าของเราแกยาจก ผู้ขอจะไม่สมควรแก่พระโพธิสัตว์ไม่สมควรรองที่จะหวงแหนผู้ถึงความควรขวายเพื่อบรรเ็ญฐานบารมีพระพุทธเจ้านั้นตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ไม่มีการกําหนดทายธรรมว่าจะต้องให้อะไรบ้างไม่มีก็บอกว่าสิ่งใดที่รับประสาทสัมผัสในทวารห้าเนี่ยนะให้ได้หมดไม่มีเหลือขณะเดียวกันผู้รับก็ไม่จํากัดว่าใครจะเป็นผู้รับสา ม, มารถให้ได้หมด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 แต่ถ้าลักษณะแบบมาขูดรีดข่มเหงอะไรเป็นต้นท่านไม่ได้ยอมอะไรแต่อันนี้หมายถึงถ้าท่านเจตนาที่จะเรียกว่าทําบุญเนี่ยท่านให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยพิเศษออกไปคือการบริจาคสิ่งที่เป็นที่รักยิ่งกว่าจริงอยู่พระโพธิสัตว์บางองค์เนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์บริจาคมหาบริจาคหประการบริจาคห้าประการคืออะไรเรียกว่ามหาบริจาคอนะห้ามีอะไรบ้างหนึ่งบริจาคทรัพย์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 พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทั้งหมดเนี่ยทำอย่างนี้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละในอดีตครั้งเมื่อพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์แสวงหาโพธิญาณอยู่พระองค์ก็ประทับอยู่ในภูเขาลูกหนึ่งพร้อมด้วยบุตรพริยาในอัตภาพที่สจากอัตภาพก่อนก็คืออะไรนะเป็นชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าดาวดึงถอยหลังไปอีกเออข้ไปดูสิทธ์นะชาติเป็นพระพุทธเจ้าถอยหลังไปก็จะเป็นดูสิทธ์ถอยหลังจากดูสิทธ์ก็จะเป็นชาติเหมือนกับ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 เพราะไม่เคยคิดที่จะให้ไม่เคยมีมีใจที่จะบริจาคไม่ใช่ว่าเราจะไม่ให้แล้วลูกจะอยู่กับเราตลอดไปที่ไหนไม่จากวันนี้มันก็จากวันต่อต่อไปพีต่อต่อไปเดี๋ยวก็จากกันจนได้ไม่จากเป็นก็จากตายแต่เขาไม่จากเราก่อนเราก็ต้องจากเขาก่อนแม้กระทั่งให้พระยาเป็นทานก็เหมือนกันยังก็ว่าจะไม่อยากันจะอยู่ด้วยกันตลอดตลอดไหนตลอดไปใช่ไหมไม่เดี๋ยวก็จากกันอยู่แล้วล่ะจากเป็นไม่จากเป็นก็จากตายเนี่ยนะ ที่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าสภาพของธรรมะในอดีตไม่มีปฏิสนธินเพราะว่าความย่ำยีสังขารทั้งหลายด้วยอำนาจความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านฉลาดคิดมากเนื่องจากว่าท่านฉลาดคิดเป็นต้นเนี่ยนะท่านคิดรอบครอบครบถ้วนหมดนะท่านจึงให้ไปไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ล, ลอยๆและเกิดขึ้นเองไม่แต่เกิดจากการใคร่ครวญเกิดจากการ พิจารณาโดยรอบครอบครบท่วนกระบวนความทุกเหตุทุกผลทุกแง่ทุกมุมทั้งหมดเนื่องจากพิจารณาโดยรอบทั้งหมดเนี่ยนะท่านจึงให้ทานได้เมื่อให้ทานเสร็จท่านก็โสมนัสว่าทานบา ร, รมีของเรานี้เต็มแล้วเชื่อไหมคนที่เขาคิดจะให้ที่หลายหลายคนบอกว่าชั่วร้ายเหลือเกินพ้นจากทุกหมดแล้วเนี่ยนะ ถืว่าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับทุกหมดแล้วใช่พวกตนีทั้งหลายพวกตําหนิพระเวสสันดรนะเฝ้าอยู่ในกองทุกเกิดทั้งหมดเลยนะพวกที่ตําหนีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็เวียนไหวตายเกิดจากชาตินี้ดีไม่ดีจะไปในรก ส, ส่วนใหญ่อีกนะเพื่อที่จะยังประโยชน์ใหญ่ให้สําเร็จเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นสํานวนจีนเขาบอกเดี๋ยวจะเสียการใหญ่อันนี้ก็คือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่า สัพพัญยุตยานไม่มีอีกแล้วเพราะสัพพัญยุตยานถือว่าเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นประโยชน์ที่สูงที่สุดเป็นประโยชน์สูงสุดที่สามารถช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากวัตถุทุกได้เพระพระองค์ก็เลยสามารถที่จะสละกองสังขารที่หาสาระไม่ได้เป็นสังขารที่ผุพังไปสังขารที่ตั้งอยู่แค่ขณะเดียวเนี่ยนะเกิดมามันก็ชาติเดียวนี่แหละเฉพาะชาตินี้นะ สมมติราอย่างว่าชีวิตของเราเนี่ยนะเออเราจะสแสวงหาให้มันเป็นอริยทรัพย์ได้ยังไงคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่มองทุกอย่างแปลจากทุกสภาพให้เป็นอริยทรัพย์ได้หมดคือท่านเห็นแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นโภกทรัพย์พอกทรัพย์เหล่านั้นท่านก็มีแล้วแต่ท่านจะแปลสภาพยังไงให้เป็นอริยทรัพย์แล้วทุกอย่างท่านแปลเป็นอริยทรัพย์ได้หมดเลยมีอะไรบ้างใช่ไหม ข้าวของเครื่องใช้วัตถุทานภายนอกทั้งหมดท่านแปลเป็นอริยทรัพย์เพื่อจะให้เป็นอุปนิสัยในการเป็นพระพุทธเจ้าชีวิตเลือดเนื้อร่างกายของท่านท่านก็แปลมาเป็นอริยทรัพย์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าหมดแม้กระทั่งบุตรภรรยาเป็นต้นก็แปลเป็นอริยทรัพย์ได้หมดบางคนน่าก็บอกให้ลูกเป็นทานไม่ได้แต่เคี่ยมซะลูกตายคามือได้อย่างไงนะเออมันก็อย่างนี้แหลวะวัตตะเนี่ยถ้าฉลาดคิดบ้างเนี่ยคนจะได้บุญไม่ใช่น้อยใช่ไหม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 เราทำการงานของพระราชานี่เก็บทรัพย์ไว้ได้ประมาณเท่านี้เรานี่ถูกพระราชานั้นส่งเข้าไปยังเรือนจำหากเราอยู่ในเรือนจำตนของเราก็ย่อยยับบุตรภรยากรรมกรบุรุษของเราเนี่ยปราศจากอาชีพก็ถึงความพินาศย่อยยับไปหมดถ้าใไรเราจักทูลพระราชาตั้งบุตรพี่ชายน้องชายของตนไว้ในที่นี้แล้วออกไป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 พระมหาบุรุษผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรด้วยอำนาจกรรมดุจบุรุษที่พระราชาตั้งเอาไว้ในเรือนจำการที่พระมหาบุรุษให้บุตรเป็นต้นของตนแก่คนอื่นแล้วก็ปลดเรื่องสัตว์ทั้งปวงให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะด้วยการได้พระสัพพัญยุตยานขณะเดียวกันก็ยังช่วยคนที่พโพองค์ได้ได้ได้เอาไปจำนองเข้าได้หมดอ่ะนะดุจการพ้นจากทุกข์ของบุตร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 ท่านก็อนุโมทนากับพ่อของท่านในที่สุดพระราหูก็ได้วิชาสามอภินยาหกวีโมกแปดปฏิสัมพิทาสี่ทั้งหมดในตอนท้ายพระอุบลวรรณเถรีก็เหมือนกันนะท่านเหล่านั้นพระนางมัสนะีล่ะพระนางมัศีเนี่ยท่านเป็นพระนางมหาพิม์ยโสธราพิมพาใช่หเป็นเอตัทัคคะในด้านผู้มีอภินยาใหญ่เนี่ยนะมีอภิน ญ, ญาใหญ่เพราะว่านางละเล็กชาติได้เป็นอสงไข่เนี่ยนะก็เป็นผู้ที่มีอภิน ญ, ญาใหญ่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 สรุปว่าเท้าส ก, กะาเนี่ยนะเกิดความอัศจรรย์ใจไม่เคยมีก็เลยอนุโมทนาทานของพระโพธิสัตว์ว่าข้าศึกทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่ของเป็ของมนุษย์พระองค์ชนะได้ทั้งหมดทั่วปฐพีพระองค์นี้ให้กึกก้องได้พระเกียรติศท์ของพระองค์เนี่ยระบือไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพระองค์ส่งให้สิ่งที่ทำได้ยากให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากกระทาสิ่งที่กระทาได้ยาก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 สละยังไงใช่ไหมมาคิดดูนะว่าคนที่ไม่ยอมจะสละเลยนะแต่ต้องสละเนื้อสละเลือดตลอดไปสละอย่างไรคือเหมือนอย่างว่าถ้าหากว่าเป็นคนมัทธิยตันีที่เหนียวไปเกิดเป็นหมูหมูเขาไหวสามสักการะอะไรถ้เาเกิดเป็นหมูก็ถูกเชือดไปทุกเชื้อนั่นแหละถ้าทีนี้ถ้าเกิดตนีทีเหนียวจนได้ไปเกิดเป็นเป็นอะไรเป็นไก่ยังไงนะก็เป็นไก่อะไรบ้าง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 การบรรลุมรคผลการปฏิบัติธรรมจนได้ตรัสรู้มันอยู่ที่อุบายอยู่ที่วิธีว่าเข้าใจข้อปฏิบัติมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจเหตุผลที่จะทำให้บรรลุมรคผลได้หรือไม่